วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นได้พูดถึงเรื่องอวิชชาในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเป็นสังเกตว่าการสัสรูหรือการบรรลุอรหัต ของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ตามท่านทำลายวิชาได้หมดสิน้นโดยสร้างวิชาให้บังเกิดขึด้นเพราะันกระบวนการของความทุกข์ทั้งหลายแต่แม้แต่เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายก็ชื่อว่าดับไปอย่างสิ้นเชิงแต่การปฏิบัติของสามั ญ, ญชนทั่ทๆไปนั้น ก็มุ่งที่จะลดความรุนแรงของอวิชชาจากความไม่รู้ในลักษณะมืดบอดที่เรียกว่าปิดบังปัญญาจากสุเอาไว้ตำานองคล้ายๆกับคนพอาผ้าดำมาปิดตาเร า, เาไว้เราจะเดินไปไหนก็ลำบากโอกาสที่จะประสบภยัยประสบอันตรายตกปุ่มตก บ, อบ่อมันเกิดขึ้นย่าง่าย เราไม่เห็นจริงๆแต่อีกระแต่อีกระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดนั้นมาความว่าพอเห็นอยู่บ้างก็มไม่เห็นอยู่บ้างในส่วนที่เราเห็นมันก็รอดปลอดภัยดีแต่ในส่วนไม่เห็นก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าก็สอนให้ปฏิบัติขัดกลาวไปเรื่อยความทุกข์ส่วนที่เป็นสภาวะทุกข์คือเกิดแก่ตายนั่น สาเหตุญ่จริงๆก็คืออวิชากกรรมที่บุคคลได้กระทาเอาไว้สาบใดที่เราทําลายตรงนี้ไม่หมดกรรมก็จะนำเราไปสู่พบจะยากจะกลางจะประนีตก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งเพราะสิ่งนี้แหละจะสร้างคุณภาพบิญญาณให้มีระดับชั้นที่แตกต่างกันออกไป ทำให้คนเราบังเกิดมาแตกต่างกันโดยกำเนิดโดยรูปร่างโดยพื้นฐานภูมิธรรมสติปัญญาตั้งแต่เกิดคือไม่ใช่เรื่องสร้างใหม่แต่เป็นผลของกรรมเกำ่าส่วนสร้างใหม่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งในกระบวนการนี้กรรมนิบัติจริงๆก็มุ่งที่จะทำลายตัวสาเหตุใหญ่ก็คือตัวสมุทยัยแต่ระดับของการบรรเทานั้น ปรสงค์นในรูปของการพิจารณาปรับใจยอมรับความจริงถึงคติธรรมดาของชีวิตว่ามันเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าในส่วนของปะกิณกะทุกที่เรียกว่าทุกจอดเข้ามานั้นเพงสังเกตว่ามันเกิดขึ้นด้วยเรื่องเดียวกันคือเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริง ในลักษณะที่ไม่สามารถประครับประคองตัวเองไว้ได้มายความเมื่อเหตุอย่างหนึ่งเกิดขึ้นผลอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามทุกคนแก่เหตุแล้วเราปฏิเสธผลที่มันเกิดขึ้นนั้นบางครั้งเป็นความคิดรุนแรงเช่นว่าเกิดการพระคราสูญเสียคนนั้นเป็นที่รากเรากตะโกนว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอ ม, ม, ยอมฉันไม่ยอมอเรามีสิทธิ์อะไรจะไม่ยอมเพราะแม้เราเองก็ต้องตาย มันแสดงเห็นถึงความคิดที่มีอวิชชาปิดบังมากเกิดไปจนแข็งขืนกติธรรมดาที่เราเองก็หลีกเลี่ยงอย่งยงไม่ได้แต่จะไม่ยอมให้คนอื่นก็าตายเพราะจะเห็นว่าความโศกความรับใย ร, รำพันความทุกข์ความเสียใจความครับแค้นใจมันจะเกิดจากอาการของโลภ ก, กับอาการของโทสะ แ้วก็มีโมหะหนุนดูมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ความสุขความรำำรยรำพันความทุกข์ความเสียใจนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นมาจากการพลราดพราดสูญเสียหรือการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการหรือบางทีคนที่เราไม่ต้องการให้เขาได้เขามีก็ เ, เป็นในสิ่งที่ดีงามเกิดได้เกิดมีเกิดเป็น เราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจที่เห็นคนอื่นก็มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าเราเพราะในจุดนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนความคิดไว้หลายระดับแต่ระดับโดยรวมที่เราสวดกันอยู่เสมอก็คือว่าเมื่อไหราโดยสรุปแล้วจิต ใ, ใจที่ไปยึดมั่นหรือมั่นในสัตว์ในสังขารทั้งหลายนั่นเองเป็นความถุก เพราะเราตั้งปัญหาถึงสาเหตุที่มาจริงๆว่าความพราดพลาดไปนี้ได้เกิดความสุขตามมาจริงหรือออกจะมีปัญหาเวลาเราจะตอบเพราะปัญหาว่าใครพลาดพราดพลดพาอะไรเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราเองถ้าคนอันเป็นที่รักของอันเป็นที่รักของเราพลาดพลาดไป ในขณะที่ใจเรายังมีรักยังมีความเยื่อใยผูกพันอยู่ความสะโศก็บังเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่เราเคยรักสิ่งที่เราเคยรักเคยผูกพันอยู่แต่ในขณะนี้ความรู้สึกเหล่านั้นได้หมดไปแล้วแ้่สิ่งเหล่านั้นเกิดพระดราดไปถามใจตัวเองดูก็จะพบว่าปรากฏเราไม่ได้โศกใ แต่ถ้าหากว่าคนสัตว์เหล่านั้นเรารู้สึกโกรธอยู่ด้วยจะรู้สึกดีใจได้ทําไปเพราะสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นจากใจที่ไปยึดเอาเฉยๆคนก็คงเป็นคนสัตว์ก็คงเป็นสัตว์สิ่งของก็คงเป็นสิ่งของปัญหาว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราด้วยความสาเสนหาใหญ่ใหญ่ผูกพันหรือไม่แต่รู้สึกอย่างนั้นความโศกก็เกิดขึ้น แต่ในจุดนั้นเองถ้าหากว่าเรามีปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งเกือวิชาไม่มากเกินไปไม่ได้ปิดบังเหตุผลสติปัญญามากนักมันก็จะมีการมองได้อีกหลายระดับระดับธรรมดาธรรมดาถึงญญาติพี่น้องอันเป็นที่รักของเราเจ็บป่วยอยู่เป็นเวลานา น, านและต้องตายไปเปนดีแล้วเดี๋ยวพ้นทุกข์พนร้อนไปครั้งหนึ่ง หรือเขาไปเขาดีแล้วเราเองนั้นยังต้องเป็นทุกข์อยู่นั้นแสดงเห็นถึงอะไรแสดงเห็นถึงเรายอมรับความจริงถึงความแก่ความตายและการรัดรากเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาตอนนี้เราแข็งขืนไม่ได้แต่เราก็ทำใจได้ว่าเขาก็พ้นทุกข์ไปชาติหนึ่งบางทีพูดถึงก็สิ้นเบนสิ้นกรรมไปชาติหนึ่ง สาวยาที่เป็นน้องของเราคนนั้นก็นทำบุญกุศลไว้มากเรารู้สึกดีใจที่เขาพ้นทุกข์ในสภาพของมนุษย์แต่รับความสุขในสวงสวรรค์ก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์บพีงค่นี้ลอาสังเกตในตำหักตำราทางพุทธศาสนาคนดีหรือแม้แต่เรื่องของคนปัจจุบันก็ที่เชื่อในการนั่งทางใน ในันสมัยพุทธกาลก็มีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงญาติพี่น้องของตัวเองที่ตายไปว่าญาติคนนั้นตายไปแล้วเป็นยังไงมีความสุขมั้ยมีความทุกข์อย่างไงรพระพุทธจ้าจะรับสั่งเล่าในกรณีที่ไปเกิดดีคนเหล่านั้นก็จะชื่นชมยินดีในความดีที่เป็นเอต ญ, ญาติพี่น้องของตัวเองไปเกิดดีปรากฏวความสุขที่เกิดขึ้นในญาติพี่น้องตายหายไป แล้วเรื่องอะไรก็ตามที่าญาติพี่น้องตัวเองเมื่อตายไปแล้วไปประสบความทุกข์อยู่ในสัมภาระจะพบก็จะเกิดสงสารแทนที่จะเกิดโศกเป็นจะเกิดสงสารก็รีบเร่งทำบุญทํากุศลคือศึกษ า, าหาวิธีที่ช่วยเหลือญาติพี่น้องเรานันให้รอดพ้นจากความทุกข์หลวงพเจ้าทรงแสดงวิธีท่านเหล่านั้นก็จะขวนขวายเช่นทาบุญุทิปกุศลส่งไปให้ อย่ปรากฏในเรื่องพระญาติเปรตพระญาติของพระเจ้าพิมพ์พิสารเราเห็นได้ชัดเจนมากพระเจ้าพิมพิสารนั้นไม่ได้เดือดร้อนในจุดเหล่านั้นเธอสงสารพวกญาติที่เป็นเปรตประสบความทุกข์ทรมานดูก็คิดจะช่ว ย, วยไม่ได้โศกแต่ว่าคิดจะช่วยเรยเห็นว่าใจมันเกิดกรุณาแทนที่จะเกิดโศกเห็นลักษณะของกรุณากับความโศกน้ะมันมต่างกัน ความโศกนั้นเป็นทุกข์สัตว์เป็นทุกข์จรแต่ว่ากุศานั้นเป็นมรรคสัตว์เป็นสัมมาสังกัปปะคือเป็นความคิดเป็นความดาํา ร, ริในทางที่ชอบเป็นความระลึกในทางที่ชอบเป็นจิตใจที่มั่นคงเพราะนั้นกุศลธรรมก็บังเกิดขึ้นภายในใจแต่บางครั้งก็มีสอนที่ประณีตขึ้นไปยิ่งกว่านั้น เป็นการศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องของชีวิตที่ต้องตายโดยมองศึกษาวิธีชีวิตของบุคคลนั้นอย่างที่ท่นานนำมาสรรเสริญนำมาสวดคือทำนองให้ศีให้พรแก่เจ้าภาพในพิธีที่เกี่ยวกับการตายดใช้คำบาลีว่า เตาจะบูชาจักตาอุลาราเป็นการบูชาต่อผู้ที่จากไปหมายความท่านเหล่านั้นก็เป็นครูที่สอนชีวิตหลายๆเรื่องให้แก่เราในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านก็ทําทั้งดีทั้งไม่ดีและผลของความดีและไม่ดีนั้นก็ปรากฏแก่ท่านในชีวิตในขณะที่ยังไม่ตายมันก็กลายเป็นครูอย่างหนึ่ง ที่สอนเราได้งดเว้นไม่ทําในสิ่งที่ผิดอย่างที่ท่านเคยได้รับความเดือดร้อนมาแล้วแล้วทําให้เราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีซึ่งท่านได้รับผลมาแล้วแล้ ว, ว่าท่านตายไปดวงจิตใจที่ผ่องแผ้วหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิก บ, บานเราก็เข้าใจถึงสภาพของจิตก่อนดับ แต่ว่าทำยังไงจิตมันจะพองแผ่วเพราทําให้น้อมนึกถึงพระพุทธมรดกหรือพระเจ้าสัตว่าเมื่อจิตพองแผ่วก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุคติจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุคติอย่างในกรณีที่ญาติพี่น้องบุตรหลานไปห้อมล้อมถ้ามีการอุบายศกก่อนจะดับจิต ทำให้เก่าวบาลสกนั้นเป็นพระบุคคลระดับโสดา บ, บันมีความมั่นคงในหลักพระสาทศาสนาแล้วก็สั่งสอนลูกหลานวงวานว่า น, านครือของท่านนั้นอยู่ในศีลในธรรมทั้งนั้นคนระดับโสดา บ, บันนั้นจะเหมือนเศรษฐีคือเลือกพักโรงแรมไหนก็ได้มีเงินเยอะโสดา บ, บันถ้าก็มีบุญเยอะนึกจะเกิดที่ไหนก็ได้เป็นว่าแต่ท่านจะไม่เกิดในภพมโลกย์เะะนัแน่งผลสวรรค์มนุษย์นีท่ทานก็เลือกเกิดเอได้ ปุถเวดาทั้งหลายก็มาเชิญชวนให้ท่านไปบังเกิดในสวรรค์ของตัวเองมากันหมดทั้งหกชั้นเป็นทิพยาภาวะซึ่งเห็นด้วยท่านต้องการให้ ใ, ใครเห็นคนนั้นก็เห็นเพราะงั้นเห็นเฉพาะทำใม้เก่าบาศกในขณะนั้นพระสงค์ก็มังสวดสติปัฏฐานใะนสูตรเพื่อจิตใจของท่านไปยึดเหนี่ยวอยู่ที่ธรรมะแต่ปุถเวดามาเรียกมากเข้าใจท่านก็เหวี่ยงไปสนใจเรื่องเทวดาแต่รู้สึกว่าเสียงมันดังมาก แต่ก็บอกให้เทวดาหยุดก่อนท่านจะฟังธรรมแต่เวลาท่านพูดออกมานั้นเทวดาได้ยินแต่คนได้ยินคนเข้าใจว่าพูดกระท่านพระเองก็กลับวัดเนึกว่าอุบาสกหลงใชแล้วแล้วนั้นที่สุดพอท่านนึกออกได้ยินว่าเห็นเมื่อเสียงพระหายไปก็สอบถามว่าพระกลับวัดไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้พูดกับพระท่านพูดกับเทวดา ลูกดานไม่เชื่อประมองไม่เห็นท่านก็เอาพวงมาลัยที่เขาลอยไว้โยนอธิษฐานไปในอากาศให้พวงมาลัยนั้นเกี่ยวอยู่ในรถซึ่งมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็เห็นคนทุกคนก็เห็นพวงมาลัยลอยอยู่แต่ก็ไม่เห็นที่เกี่ยวแต่จุดนี้ก็ทําให้เกิดความศรัทธาเรื่อมใสพระบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บํำเพ็ญบุญ บุญจะต้อนรับคนซึ่งกระทำบุญเอาไว้เหมือนญาติพี่น้องรอคอยญาติอันเป็นรักของตนซึ่งจากบ้านเมืองไปนานแล้วก็กลับมาสู่บ้านด้วยความสวัสดีญาติพี่น้องจะเข้าแถวรอรอต้อนรับกันอยู่นั้นเป็นภาพที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันแต่บุญกุศลก็จะต้อนรับคนในลักษณะอย่างนั้นเพคนที่อยู่ในจุดนั้นแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าคุณพ่อต้องตายไปหรือคุณลุงต้องตายไปคุณตาต้องตายไปก็ดีวกว่าดีใจ ว่าคุณลงมุตตาได้พ้นทุกไปแล้วโดวยบังเกิดในสวรรค์วิมานเราต้องการที่จะบังเกิดร่วมกับท่านก็เริ่มประพฤติปฏิบัติความดีเขาเนี้จะเห็นว่าเราก็หาประโยชน์จากความตายในแง่ที่เป็นสังสารวัฏแต่ก็ตกแต่งพภพชาติามาเราให้ประณีตขึ้นไม่โศกไม่รำไรไม่รำพันไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเสียใจไม่เกิดความคับแค่นใจแล้วก็ท่านไปก็ท่านดีแล้วแต่เนื้อแต่เราซึม่มีความเสี่ยงอยู่ ติสอนความคิดอีกระดับหนึ่งที่จริงมันก็สุขเหมือนกันเพียงแต่ว่าให้บรรเทาความสุขโดยมาคิดดูอย่างในกรณีของงานศพคือเจ้าทรงสอนว่าการร้องไห้ก็ดีการมีน้ําตานองหน้าก็ดีการพิริพิไรรำพันก็ดีเมื่อเปรตจดเมือม่อเมื่อญาติพี่น้องของตกลงพระพรากจากไปนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นบันฑ์มีน้ําซ้ําจะเกิดโทษ อยงน้อยก็สี่ประการประการแรกคือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้อย่างทราบอะไรว่าเราต้องร้องให้เสียใจต่างก็ไปด้วยกรรมของท่านเราก็อยู่ด้วยกรรมของเรากต่างคนต่างไปตางคนต่างอยู่สุขภาพร่างกายจิตใจของเราจะมีแต่สุดโทรมลงไปโดยลำดับ การร้องไห้เศ้าโศกเสียใจนั้นก็เป็นการท้ำเติมตัวเองให้ทุกข์หนักยิ่งขึ้นเป็นการแสหาทุกข์เป็นการสายไปหาทุกข์เป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองและคนที่ไม่ชอบเราต้อมีความรู้สึกเป็นศัตรูแต่เราเห็นเราประสบความาทิกข์ทารซ้ําซ้อนญาติพี่น้องก็ตายตัวเองก็ร้องโหมร้องไห้ไม่ได้สติสตาก็ยิ่งรู้สึชื่นชมยินดีที่เห็นความาทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่เรา ระวบสาธาณ ญ, ญาติต่างๆที่ทราบข่าวมาถึงเห็นเราโศกคนหนึ่งตายคนหนึ่งโศกเศร้าร้องหม่มร้องไห้อยู่หรืออาจจะร้องหม่มร้องไห้อยู่หลายคนคนเหล่า น, นั้นก็ประสมโรงร้องไห้ตามไปด้วยเป็นการเพิ่มโศกให้แก่คนอื่นถามว่าเป็นบาปไหมมันก็เป็นบาปบาปทั้งแก่เราเพราะมีทุกข์เกิดขึ้นแก่เราบาปทั้งแก่คนอื่นราสร้างทุกข์แก่คนอื่น บาปทั้งคนที่เป็นศัตรูเพราะทำให้จิตใจของเขายินดีในความพิบัติของบุคคลนั่นนั่นเป็นความระเมีดเรามาอีกชั้นหนึ่งอย่างที่เคยกล่าวไว้ในประสูต์ประสูนย์หนึ่งที่มีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเขาเป็นนักร้องนักเต้นราแล้วมีการอบรมสั่งสอนกันในหมู่พวกคนเหล่านี้ว่าคนหากินโดวยวิธีเป็นนักร้องเต้นรา เป็นการสร้างความสุขความเบิกบานใจให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเราอื่นเพราะฉะนเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่ว่ากันว่านั้นจริงหรือเปล่าพระเจ้าก็ห้ามไม่ให้ถามก็อตอบแล้วท่านผู้นั้นจะเสียใจเรียกว่าตาลบุตรจะเสียใจมาเขาพยายามขอร้องพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตายไปเกิดในสวนรรค์หรอกว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในนรก เพราะอะไรเพราะการกระทำเช่นนั้นการเต้นรำการยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆการร้งองรําทํำทำเพลงเนี่ยมันเป็นการปลุกราวราคะปลุกราวโลภะปลุกราวโทสะปลุกราวโมหะให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทั้งๆที่จริงๆแล้วจิตใจของบุคคลในขณะนั้นก็สงบความคิดเหล่านั้นถูกซึ่งวันนี้ท่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตได้ บางครั้งเราดูรายการโทรทัศน์รายการละครรายการภาพยนตร์ราการอะไตางโทรทัศน์นั้นจิตใจเราจะฟูขึ้นควบลงตามการแสดงของตัวละครในเรื่องเหล่านั้นมีราคะมีโทะสะมีความโศกมีความเสียใจมีความโอดถูไปตามบทบาทที่มีการแสดงและบางทีอาการหนักคือมานั่งพูดนั่งคุยกับเป็นตุเป็นตะคล้ายๆกับเป็นเรื่องจริง เอกเป็นอย่างนั้นนางเอกเป็นอย่างนี้ตัวโกงเป็นอย่างนั้นเสียเวลาดูละครแล้วยังมาเสียเวลานั่งคุยเล่าละครกันอีกนีแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีวิชาคุ่มขอขอเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆ ท, ที่มันไม่ได้จริงอะไร เ, เรื่องปรุงแต่งทั้งหมดแต่ก็ยึดถือเป็นตุเป็นตะกันว่าเป็นเรื่องจริง เพราะในจุดนี้พระเจ้าก็สอนให้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและแก่ผู้ที่ตายหรือแทนที่จะโศกมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้พึงสังเกตรพระเจ้าจะไม่สอนในเรื่องที่ทําอะไรไม่ได้แต่จะให้ใช้ประโยชน์จากจุดอื่นไม่ใช่เอาจุดที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างที่รับสั่งเล่าว่า ปู่ของเด็กตายไปพ่อของปู่นั้นพ่อของเขานั้นร้องหกลมร้องไห้เสียวเส้ยใจนําอาหารไปให้ปู่ทุกวันคือทั้งตั้งที่เผาเป็นขี้เท่าไปแล้วนําอาหารไปปู่กินแล้วนั่งพูดคนเดียวเชิญปู่มันกินอาหารแล้วก็คุยแล้วก็ร้องหกมร้องไห้ทุกวันลูกชาเยเห็นท่าไม่ได้เรื่องพูดจา ก, กับพ่อก็ไม่เข้าใจ พอดีโคตายลงมาไอ้ลูกชายก็ตักน้ําตัดหญ้าไปบอกให้โคมันกินโคก็นอนในงั้งงนพอไปกินก็เคียดแล้วก็ดุด่าโคลุกขึ้นมากินทําอยู่ใกล้ๆพ่อที่ร้องให้ให้ปู่ถึงปู่ที่ตายไปแล้วนั่นแเองพ่อก็เกิดสนใจลูกชายเห็นว่าลูกชายเรามันบ้าได้ยังไง มันไปเคี่ยนโคซึ่งตายแล้วลุกขึ้นมาดื่มน้ํากินยากในความโศกถึงปู่มันหายไปมันเกิดความราําคาญลูกชายก็ลุกขึ้นมาจากตรงนั้นมาถึงก็ดุด่าลูกชายเลว่าโคมันจะกินเข้าไปได้ยังไงโคมันตายแล้วน้ํามันก็ดื่มไม่ได้ยากมันก็กินไม่ได้ลูกชายก็บอกว่านั่นสิพ่อกับผมเนี่มันใครอาการหนักกว่ากัน ปู่น่ะตายไปแม้แต่ขี้เท่ายังไม่เหลือเลยพ่อเอาเข้าวมาให้กินทุกวันร้องหม่มร้องไห้นั่งคุยอยู่กับปู่ได้ไอ้โคยังไงปากมันก็ยังอยู่มันยังไม่เปิดหยเน่าไปเพรา ะ, ะเมื่อโคกินไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่มันยังมีรูปร่างอยู่แล้วปู่ซึ่งเหลือแต่ขี้เท่าเนะี่ยมันจะกินได้ยังไงเพราะฉะพ่อกับผมไม่ใครมีปัญหามากเหมือนกันแต่จริงๆแกใชก้คำว่าใครบ้ามากกว่า ก, กันไลทั้งท้าย พอพ่อด่าดาบบ่าแกบ้าในสุดพ่อก็เกิดสมนึกคนนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเล่าเล่าก็ต้นเตือนให้เราคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันเศร้าโศกเสียใจคือร้องไห้พิริพิเรำพันไปมันก็เท่านั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นการกระทมของคนที่โง่อีกระดับหนึ่งก็จะสอน ในแนวที่มองเห็นเป็นกระบวนการของกรรมหมายความมาขัดเกลาวอาวิชชาในระดับในแต่ละระดับให้จิตใจมีความสว่างด้วยปัญญาด้วยวิชามากยิ่งขึ้ น, นจึงการสอนใน้มองเห็นว่าสัพพชีวิตทั้งหลายนั้นที่จริงเราพบกันระหว่างทางเหมือนคนเดินทางไปเจอกันในที่ใดที่หนึ่งเช่นสมมติเราเดินทางไปต่างประเทศ ล้าก็เจอพระคูเพิ่อนฝูกในต่างประเทศพบกันบนเครื่องบินบ้างพบกันท่าอากาศยานบ้างพบกันในเมืองนั้นๆบ้างใน้ี่สุดก็แยกย้าย ก, กันไปและขณะพบก็ปฏิบัติกันในฐานะเพื่นมีการเลี้ยงดูมีการเที่ยวเท่มีการสนทนาสนุกสนานกันก็ว่ากันไปก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรแต่การพัดพลาดต้องมี เพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนจะไปก็มีเจ็ดจำนวนจริงๆก็ต่างกันแต่เหตุปัจจัยที่จะให้ไปให้อยู่นั้นก็แตกต่างกันเช่สมมติเราอาจจะนัดไปทัวร์ด้วยกันแต่ว่าเงินเรามีมะมากน้อยไม่เหมือนกันคนบางคนอาจจะไปได้หมดคนบางคนไม่จะไปเป็นท่อนเป็นตอนไปแต่ล้วต้องกลับเพราะไม่มีเงิน เพราะในช่วงนี้เป็นการปฏิบัติสมควรแก่สถานะคือสอนให้ปฏิบัติสมควรแก่สถานะในขณะที่อยู่ร่วมกันก็ปฏิบัติเกื้อกูลตรอกันอย่างในบทที่ท่านอนุโมทนาเวลาคนตายนั่นเองคือบทแรกที่ว่าเป็นการให้เป็นการปฏิบัติญาติธรรมโสญาติธรรมโมจะยังนิดัสสิโตเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรม คือธรรมะที่ญาติจะต้องปฏิบัติต่อญาติของตนหมายความเปนยังไงหมายความเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต่างคนดังก็แก่ต่างคนดังก็เจ็บต่างคนด ก, ก็ตายเวลาแก่เวลเจ็บก็ช่วยดูแล ก, กันเวลาตายใครตายก่อนคนที่อยู่ทีหลังก็ช่วยทำศพให้แล้วคนที่ทำศพไปเพื่อนัน้นเองพอตัวเองตายคนอื่นไปช่วยทำศพก็ช่วยกันทำศพกันอย่างเงี้ย หมายความมาร่วมทุกร่วมทุกขกันเป็นการปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันในขณะช่วงเจ้า ว, ว์วัจะในสอนในรูปของทิศถกพ่อแม่ลูกควรปฏิบัติหน้าที่กันยังไงสามีพัญญาควรปฏิบัติหน้าที่กันยังไงนายกับลูกน้องผูกสิทธิต ร, ราชามหากษัตรกระดษสตร์ชาวบ้านกับสัมณนาพระลูกน้องกับนาย มีกัญญาเป็นต้นคือให้ปฏิบัติต่ตอกันในขณะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอถ้า อ, อีกฝ่ายหนึ่งตายมีกว่าหนึ่งตายเราก็แสดงญาติธรรมอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนที่อยู่ก็ทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แต่การทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นั้นไม่ใช่ส่งแบบพัสดุไปเส น, นี้แต่เป็นการส่งเหมือนกนระสอนหนังสือให้แก่คนอื่น สังสารชนทั้งหลายจะเห็นว่าความรู้ที่เราเอามาสอนนั้นบางครั้งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันยังสอนได้อยู่ต่อไปก็สอนได้ต่อแล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมีความคิดความเห็นความรอบครอบมากยิ่งขึ้นเพราะการอุทิศส่วนบุญให้นั้นไม่ใช่ลดส่วนบุญเราแต่ที่จริงเป็นการเพิ่มบุญให้แก่เรามันก็เป็นการปฏิบัติอีกเจกริอีกระดับหนึ่งที่นี้อีกระดับหนึ่ง มันจะมองในแง่ของกติธรรมดาคนที่เรารักหรือที่เราช่างก็ตางแต่ในสุดก็คือการพราดพราดกันการพราดพลาดโดยการไปการพราดพราดโดยการตายเราไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปอย่างสานวนจีนที่บอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลิกราพบกันก็เพื่อจะจากกัน จากการก็อาจจะพบกันถ้ามีเหตุปัจจัยให้เกิดพบกันจนบางครั้งก็ส่งแสดงในรูปสังสารวัตรตลอดการยาวนานเพราะในแง่งความจริงแล้วคนเราก็เคยเกี่ยวข้องเคยเกี่ยวข้องกันเคยผ่านสมัครภกันเคยเป็นญาติพี่น้องกันแต่นั้นก็แสดงในรูปสังสารวัตรยาวนั้นมันก็ทํานองคล้ายๆกับเรากับเพื่อนเราก็มีการพบกันมีการพระราจากกันบางทีคนนานๆจะพบกัน พอพบ ก, กันแล้วก็เจอกันนิดเดียวคุยกันนิดเดียวก็พรากจากกันบางทีก็อยู่กันนานแต่ในที่สุดมันก็ไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปพเพราะอะไรเพระจริงๆแล้วคนเราจะเป็นไปตามกรรมของเขาอย่างที่พระปตา a ราเทรีท่านกล่าวเตือนคนทั้งหลายที่ร้องให้เจ้าโสเพราะการพระพรากสูญเสียคนเป็นทรักโดยสอนให้คิดในตอนต้นเป็นการกระตุกจิตกลับมาตั้งหลักนะหมายว่า คนหล่นั้นก่อนจะมาเกิดในขันของคุณเนี่ยเขาบอกกล่าวก่อนหรือเปล่าว่าจะขออนุญาตมาเกิดเป็นลูกแม่เขาเหล่านั้นก็บอกว่าไม่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรแล้วตอนก็จับไปนี่เขาลาก่อนเขาลาคุณหรือเปล่าบอกไม่ได้ลานั่นก็แสดงว่าเราจะต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรกับคนที่มาก็ไม่ได้บอกไปก็ไม่ได้ลาก็เป็นการตั้งหลัก แล้วในที่สุดก็มองในแง่ของกติธรรมดาที่ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาพมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครร่วมความเป็นอย่างนี้ไปได้ระถึงจุดหนึ่งเรียกว่าวิชาบรนสว่างมากขึ้นอวิชามันหายไปแยะเป็นปัญญาที่รู้ประสานสัมพันธ์กับสิ่งโดดนั้นพาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องแตกต่าดับเป็นธรรมดาก็แตกดับไปแล้ว มันก็ไม่ได้คิดอะไรหรืออจจะคิดลึกซึ้งไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่จริงเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปในการเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยตามธรรมบัญญมีการดับไปโดยเหตุปัจจัยตามธรมรมบัญญัสรุปก็เกิดขึ้นก็ดับไปเกิดปัสสาวก็ดับไปท่าน เพราะการทำใจให้สงบระ ง, งับในสัตว์ในสังขารทางหลายทุกลำดับขั้นตอนจึงเป็นเหตุใ้เกิดความสุขสตระเจตว่าการเรียงมาในแนวนี้ตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นเป็นการขัดเกลายวอวิชชาไปโดยลำดับจนถึงจิตใจไม่ได้เดือดร้อนอะไรลออยู่เหนือปรากฏการธรรมชาติตอนนั้น มองเห็นในแง่ของสภาวธรรมธรรมดาจิตใจไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าอะไรก็ตามที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้จะไม่มีโทษเป็นอันไม่มีดังนั้นพู้เจ้าจึงย้ำเตือนไว้ว่าทำต้องปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้จะมีการยึดอยู่แต่ก็ปรับไปถูกต้องอยู่ก็อยู่ไปก็ไปในขณะแขกมาเรือนเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าบ้านในขณะที่แขก จากไปเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะส่งแขกทาได้เช่นนี้ก็จะได้รับประโยชน์ทุกลำดับขั้นตอนของชีวิตเป็นวิธีทางซึ่งบรรัณฑิตท่านกำหนดแสดงเอาไว้ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป